จเจรินพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเก้าตรงกับวันศุกร์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2545ห้าเป็นวันพระเป็นวันที่ศรัทธาญาติโยมร่วมใจกันเดินทางมาที่วัด เพื่อประกอบคุณางามความดีเติมน้ำมันให้กับชีวิตคือบุญและกุศลบุญก็คือความสุขกุศลก็คือความฉลาดสิ่งทั้งสองนี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อชีวิตเพราะคนเราเกิดมาทุกคนย่อมปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นจ <c oughs> ึงต้องมีการเติมความสุขอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะความสุขไม่ใช่เป็นเหมือนกับอากาศ ลมที่เราหายใจที่มีอยู่รอบตัวเราแต่เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างกันเราต้องทํากันขึ้นมาเราจึงต้องมาวัดกันเพื่อมาทําบุญด้วยการใส่บาตถวายทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมก็จะทําให้เกิดบุญขึ้นมาฟังเทศฟังธรรมก็จะทําให้เกิด กุศลขึ้นมาคือความรู้ความเจริญเมื่อมีความรู้ความเจริญเราก็จะสามารถดําเนินชีวิตของเราไปได้ด้วยความถูกต้องก็เป็นการสร้างความสุขเพิ่มพูนขึ้นมาอีกเหตุ <c oughs> <c oughs> ที่คนเราส่วนใหญ่นั้นมีความทุกข์กันก็เพราะว่าขาดกุศลขาดปัญญาขาดธรรมะจึงไม่รู้ถึงเหตุที่จะทําให้เกิดความสุขว่าเป็นอะไร เลยเมาเลยไปคว้าเอาแต่เหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเพราะความรุ่มหลงนั่นเองทำให้ไม่สามารถเห็นสุขและทุกข์ได้ตามความเป็นจริงเราจึงต้องอาศัยพระพุทธเจ้าอาศัยพระอริยสงสาวกทั้งหลายผู้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมผู้รู้จริงเห็นจริง เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องอยู่ให้เรารู้ว่าอันไหนดีอันไหนชั่วอันไหนควรที่จะส่งเสริมพัฒนาให้เกิดขึ้นอันไหนควรที่จะลดที่จะละให้หมดไปอย่าไปเกี่ยวข้องเพราะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับเรา เราควรที่จะถอยหา่างไม่ควรเข้าใกล้แต่สิ่งที่สร้างความสุขความเจริญให้กับเราเราควรที่จะเข้าหาเข้าใกล้และควรที่จะสร้างให้เกิดขึ้นมามากๆเพราะเมื่อมีสิ่งที่ดีที่งามที่ให้ความสุขความเจริญได้ถูกสร้างขึ้นมามากแล้วเราก็จะได้มีความสุขมากขึ้นไปนั่นเอง ดังนั้นขอให้เราจงทำความเข้าใจไว้ว่าความสุขและความทุกข์นั้นเป็นเรื่องของเราโดยตรงเราเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาทั้งความสุขและความทุกข์ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสร้างให้กับเราได้เรื่องความสุขและความทุกข์ทั้งหลายเราท่านั้นเป็นผู้สร้างขึ้นอยู่กับว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ท่านั้นแหละว่าอะไร เป็นเหตุที่ทําให้เกิดความถุกเกิดความสุขขึ้นมาและอะไร <c oughs> เป็นเหตุทําให้เกิดความทุก ข, ข์ขึ้นมาเราจึงต้องก้าวหาพระาศาสนาศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงสัจธรรมชีวิตของเราว่าเป็นอะไรว่าเป็นอะไรกันแนะ่พวกเราทุกคน คงคิดกันว่าชีวิตของเรานี่เป็นความจริงแต่ตามหลักพระศาสนานั่นท่านกลับว่าชีวิตของเรานั้นเปรียบเหมือนกับความฝันไม่ใช่เป็นความจริงแต่ในขณะที่เราฝันอยู่เราจะไม่รู้ว่าเรากำลังฝันอยู่ <c oughs> เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วเราจึงจะรู้ว่าเราฝันไปอย่างเมื่อคืนนี้เวลาที่เรานอนหลับไป แล้วเราเริ่มฝันว่าเราไปทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เราไปเห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้มีทั้งความสุขและมีความทุกข์สุดแท้แต่ว่าเราจะฝันดีหรือฝันร้ายถ้าเราฝันดีเราก็จะมีความสุขในขณะที่เราฝันถ้าเราฝันร้ายเราก็จะมีความทุกข์มีความตื่นเต้นหวาดเสียวหวาดกลัว <c oughs> แต่เมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วเราก็รู้ว่า เหตุการณ์ที่ผ่านไปเมื่อกี้นั้นเป็นความฝันแต่ถ้าเราหลับไปตลอดฝันไปตลอดโดยที่ไม่ต um ื่นเลยเราก็จะไม่รู้ว่าเรากำลังฝันอยู่หรือไม่ฝันเช่นเดียวกับชีวิตของเราชีวิตของเรานี่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาเราก็อยู่ในกับชีวิตนี้ไปอยู่ตลอดเวลาเราเลยไม่รู้ว่าเรากำลังฝันอยู่หรือว่า เรากำลังอยู่กับความจริงเราจะไม่รู้เลยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แลวมาสั่งสอนพวกเราให้รู้ถึงความจริงของชีวิตของเราว่าชีวิตของเรานั้นเหมือนกับความฝันเพราะพระพุทธเจ้านั้นตื่นแล้วท่านเป็นพุทโธพุทโธก็แปลว่าผู้ตื่นผู้เบิดบานท่านตื่นจากอะไรก็ท่านตื่นจากความหลง ความ <c oughs> โมหะความหลงตื่นจากอวิชชาความไม่รู้นั่นเองส่วนพวกเรานั้นยังอยู่ภายใต้อำนาจของโมหะความหลงและอวิชชาความไม่รู้เราจึงไม่รู้ว่าเรากำลังฝันกันอยู่เพราะเหตุใดชีวิตเราจึงเปลี่ยนเหมือนกับความฝันเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมันมีไหลไปอยู่ตลอดเวลา มันไหลไปเหมือนกับกระแสน้าถ้าเราไปนั่งอยู่ที่ท่าน้ำแล้วเราดูน้ำที่ไหลไหลผ่านหน้าเราไปเราก็จะรู้ว่าน้ำนั่นมันไหลไปเรื่อยๆแล้วมันไหลไม่กลับอะไรที่เอาอยู่บนน้ำมันก็ไหลไปกับน้ำไหลไป ส, สิ่งที่เราเห็นแล้วผ่านไปเมื่อเรามองไปอีกทีหนึ่งมันก็เป็นอดีตไปแล้วมันก็เป็นเหมือนกับความฝัน เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ในขณะนี้เรากำลังนั่งฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เมื่อก่อนเมื่อคู่นี้เราได้ใส่บาตรกันเราได้สมาทานศีลกันเหตุการณ์นั้นมันก็ผ่านไปแล้ว <c oughs> เปรียบเือนความฝันแล้วเพราะมันมันมันเป็นอนดีตไปแล้วปัจจุบันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ ที่ไหลอยู่ไปตลอดเวลาไม่อยู่นิ่งเพียงชั่วขณะหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ผ่านไปแล้วมันก็เป็นอดีตไปแล้วเช่นเรามีอารมณ์ผุดขึ้นมาในขณะนี้มีความรู้สึกหงุดหงิดใจถ้าเรามีสติรู้อยู่ปับ๊บอารมณ์หงุดหงิดนั้นมันก็ดับไปมันก็ผ่านไปแล้วแต่ถ้าเราไม่มีสติเวลาเกิดอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมา ใจเราก็จะปรุงแต่งไปกับอารมณ์นั้นสร้างความหงุดหงิดเพิ่มขึ้นไปอีกต่อเนื่องขึ้นไปอีกเพราะเราจะคิดถึงไอ้เรื่องที่สร้างความหงุดหงิดให้กับเราเช่นในขณะที่เรานั่งอยู่พยายามฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่แต่คนที่นั่งอยู่ข้างๆเราเขาขยับไปขยับมาเขาไม่นิ่งเขาส่งเสียงกุ๊กคิ ก, กก็แกลกมันก็ทําให้เราเกิดอารมณ์รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาแล้วเราก็ส่งจิตของเราไป กับบุคคลนั้นกับการกระทาของเขาความอุกเฉิดนั้นมันก็จะมันก็จะไม่หายมันก็จะต่อเนื่องไปมันเลิกกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นความจริงแต่ถ้าเรามีสติพอเรารู้ว่าคนข้างๆเขาเขาไม่นิ่งเขาไม่สงบเขากำลังทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำเสียงดังกุกกิ๊กก็แก๊กไปถ้าเรามีสติรับรู้อยู่แล้วเราไม่ไปสนใจ สิ่งนั้นอารมณ์นั้นมันก็ผ่านไปมันก็ไหลไปเหมือนกับกระแสน้าคือเราไม่เดินกลับมาให้อยู่ในปัจจุบันนั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีสติเราไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของสิ่งต่างๆใจของเราจะยึดอยู่เสมอกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นถ้าเราประสบกับอะไรที่ถูกอกถูกใจเราเราก็พยายามที่จะเกาะติดอยู่กับ สิ่งที่ถู ก, ออกถูกใจเราถึงแม้สิ่งนั้นกําลังเคลื่อนย้ายไปเราเราก็พยายามหันไปดูถ้าเราตามไปได้เดินตามไปได้เราก็จะเดินตามไป <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเรามีความหลงเราเห็นสิ่งที่เราถูกออกถูกใจแล้วก็เกิดอุปทานยึดมั่นอยากยึดติดอยู่กับสิ่งนั้นอยากจะให้สิ่งนั้นอยู่กับเราไปตลอดเราก็เลย เราก็เลยผูกใจของเราให้ติดอยู่กับสิ่งนั้นทั้งๆ ท, ที่สิ่งนั้นบางทีพ้นไปจากสายตาของเราแล้วผ่านไปแล้วแต่ใจเราก็ยังอยู่กับสิ่งนั้นอยู่ยังคิดถึงสิ่งนั้นอยู่มัน <c oughs> เ, เลยทําให้รู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นของจริงขึ้นมาแทนที่จะเป็นเหมือนกับความฝันแต่ถ้าใจเรานิ่งใจเราอยู่ที่ปัจจุบันใจเราไม่ไหลาตามกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นปั๊บมันก็ผ่านไปแล้วมันก็เป็นอดีตไปแล้วถ้าเราไม่ตามไปสิ่งนั้นมันก็หายไปแล้วมันก็เป็นเหมือนกับความฝันถ้าเราคิดถึงเรื่องอนาคตอนาคตมันก็ยังไม่เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่จิตเราส่งไปเกาะส่งไปติดอยู่นั่นแหละเหมือนกันถ้าเราไม่ส่งไปอดีตหรือส่งไปอนาคตเราอยู่ปัจจุบันเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างเสียงที่กำลังพูดอยู่นี้ก็เช่นกันพอพูดปั๊บเข้าหูเราปั๊บเราสัมผัสรับรู้แล้วมันก็หายไปแล้วก็มีเสียงใหม่ปรากฏขึ้นมาแทนที่อยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีสติอยู่ในปัจจุบันเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของเสียงแต่ถ้าเราไปเคลื่อนไหวกับเสียงคือเขาพูดอะไรแล้วเราก็เอาคาพูดของเขานั่นมาขบมาคิดต่อ คำพูดของเขานั้นก็เลยไม่รู้สึกว่าหายไปหมดไปเพราะว่าเรายังนำมาคิดอยู่ในใจของเราความคิดนั้นก็เลยยังอยู่กับเราอยู่เช่นกันกับเรื่องราวต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเราไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุสมบัติเข้าของต่างๆบุคคลต่างๆนั้นยังอยู่ในใจของเราอยู่ เพราะใจของเรายังยึดติดกับสิ่งนั้นๆอยู่เราจะนึกถึงสิ่งนั้นอยู่เสมอถึงแม้เรามานั่งอยู่ที่ตรงนี้เราก็ยังอดที่จะคิดไปถึงที่บ้านไม่ได้คิดถึงคนที่อยู่ที่บ้านไม่ได้หรือคิดไปถึงที่ทำงานที่คิดถึงคนที่เขาทำงานอยู่หรือคิดถึงสมบัติเข้าของต่างๆหรือกิจการต่างๆที่เราที่เราเป็นเจ้าของอยู่หรือเรามีหน้าที่เกี่ยวข้องด้วยอยู่ จิตของเราจะวิ่งไปหาสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอวิ่งไปวิ่งมากลับไปกลับมาอยู่อย่างต่อเนื่องเลยทําให้รู้สึกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นเหมือนกับว่าอยู่กับเราทั้งๆ ท, ที่ในปัจจุบันนี้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันไม่ได้อยู่กับเราเลยเพียงแต่ว่าใจของเรานึกถึงมันมันก็เลยทําให้เรานึกถึงว่าสิ่งนั้นๆยังอยู่กับเราอยู่ ทั้งงที่สิ่งต่างๆนั้นเราไม่รู้หรอกว่าขนาดนี้นั้นได้เกิดขึ้นอะไรกับเขาแล้วสิ่งนั้นอาจจะสูญสลายแต ก, แตกดับไปแล้วก็ได้เลือกลายเป็นอย่างอื่นไปแล้วก็ได้เราไม่รู้แต่ใจของเรายังคิดอยู่ว่ายังเป็นเหมือนเดิมอยู่นี่เป็นเพราะความหลงทำให้เราคิดอย่างนั้นแต่ถ้าเรามีปัญญาเราเข้าใจถึงสภาวะธรรม เข้าใจถึงธรรมชาติของเขาว่าเขาเป็นสิ่งที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่อย่างตลอดเวลาทุกขณะทุกวินาทีไม่มีอะไรอยู่นิ่งเลย<ม>เช่นร่างกายของเรานี้มีการเจริญเติบโตและมีการเสื่อมไปพร้อมๆกันในขณะที่เรากำลังเป็นเด็กการเจริญเสื่อมการเจริญเติบโตก็จะ ม, มีมากกว่าการเสื่อมเลย เกิดเป็นภาพว่าเรากำลังจเจริญเติบโตกันแต่พอเราเข้าถึงวัยกลางคนแล้วการจเจริญเติบโตก็จะช้าลงและน้อยลงไปการเสื่อมก็จะมีมากขึ้น <c oughs> และก็จะมี <c oughs> มีอย่างต่อเนื่องเลยทำให้เราเริ่มเห็นว่าร่างกายของเรานั้นเริ่มชราภาพลงแต่เราจะไม่สามารถมองเห็นได้ทุกขณะเพราะการเปลี่ยนแปลง นี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปด้วยควาด้วยเวลาด้วยความช้าคือไม่รวดเร็วเราจึงไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้วินาทีต่อวินาทีต่อหรือชั่วโมงต่อชั่วโมงหรือวันต่อวันเราต้องรอถึงเวลาห้าปีสิบปีเรามองหน้าของเราสักทีเช่นเราถ่ายรูปไว้เมื่อห้าปีหรือสิบปีก่อนเราไปเอาภาพเหล่านั้นที่เราถ่ายไว้ขึ้นมาดู แลเปรียบเทียบกับหน้าตาของเราในปัจจุบันเราก็จะรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียวแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใดมันเป็นการสะสมกันไปทุกวินาทีทุกขณะมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจะเจริญมากหรือเสื่อมมากก็สุดแท้แต่ถ้าเจริญมากก็เป็นการเป็นการเติบโตถ้า ถ้าเสื่อมมากก็เป็นการเป็นการแก่เฒ่าลงไปนั่นเองนี่ก็คือลักษณะของสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือวัตถุต่างๆก็เป็นเช่นกันเสื้อผ้าของเราข้าวของต่างๆที่เรามีอยู่วัตถุต่างๆมันก็มันก็เสื่อมไปแต่มันไม่เสื่อมอย่างรวดเร็วเสื้อผ้าของเราเสื้อมาใหม่ๆ เราสายมันไปสายมันไปต่อไปมันก็จะบางลงบางลง <c oughs> และในที่สุดมันก็จะขาดไปแต่มันไม่ได้เป็นไปแบบทันทีทันใดมันมันจึงเป็นสิ่งที่อัมพรางตาเราทําให้เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ถาวรสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเราจะไม่เห็นภาพนี้เราจะไม่เห็นภาพ ของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านี้เราจึงต้องสอนใจเราอยู่เสมอให้มองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันช้ามันไม่รวดเร็วเท่านั้นเองแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วก็มีอยู่อย่างในใจของเรานี้มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ค่อยรู้กัน เพราะเราไม่ได้มองเข้ามาที่ใจของเราเพราะไม่มีใครสอนเราให้เรามองนั่นเองเช่นอารมณ์ของเรานี่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ดีอกดีใจเดี๋ยวก็ลำคาญใจเดี๋ยวก็เบื่อหน่ายเดี๋ยวก็อยากจะทำสิ่งนั้นเดี๋ยวก็อยากจะทำสิ่งนี้นี่เป็นอารมณ์ทั้งนั้นที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแ ต, แต่ที่มันไม่ดับไปก็เพราะว่า เวลาเวลาเกิดอารมณ์ที่ดีขึ้นมาจิตของเราก็พยายามดึงอารมณ์นั้นไว้อยากจะให้อารมณ์นั้นอยู่กับเราไปนานๆหรือเวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีก็พยายามที่จะผลัก ม, มันให้หายไปยิ่งไปผลักมันเท่าไหร่ก็เท่ากับเนี่ยวลังมันไว้เท่านั้นวิธีที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขาไปของเขาโดยธรรมชาติของเขานั้นใจของเราต้องเป็นกลางคือเราจะต้องเป็น อุเบกขาวางเฉยมีสติรู้อยู่เฉยเฉยเท่านั้นมองเขาเขาจะเกิดขึ้นมาก็รู้ว่าเขาเกิดขึ้นมาเขาจะตั้งอยู่ก็รู้ว่าเขาตั้งอยู่เขาจะดับไปก็รู้ว่าเขาดับไปถ้าเป็นเชนนั้นแนละ้วเขาจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราไปหลงไปยึดไปติดอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมามันจะไม่หายไปเพราะเราดึงเขาไว้เวลาเกิดอารมณ์ที่ดี เราก็จะดึงเขาไว้เวลาเกิดอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็จะดึงเขาไว้ด้วยวิธีที่ที่พยายามผลักดันเขาไปการผลักดันนี้ก็เป็นการดึงเขาไว้เหมือนกันเพราะเรายังไปเกี่ยวข้องกับเขาอยู่ยังไปคิดถึงถึงเขาอยู่นั่นเองแต่ถ้าเราไม่ไปคิดถึงเขาเราเพียงแต่ดูเฉยๆรู้ว่าเขามาเขามาก็มาถ้าเราไม่ยินดีไม่เยินร้ายเขาจะอยู่ก็อยู่ไปเขาจะไปเขาก็ไปของเขาเอง อย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาในในอารมณ์ของเราในใจของเราแต่ถ้าสิ่งที่เราเห็นแล้วเราชอบเราก็อยากจะให้เขาอยู่เราก็ต้องหาวิธีการต่างๆล่อใจเขาชวนเขาคุยหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้เขามาให้เขาทำมาให้เขาดูมาให้เขาได้สัมผัสเพื่อเขาจะได้อยู่กับเรานี่ก็เป็นการดึงเขาไว้ละด้วยด้วยความผูกมัดผูกพัน หรือเวลาเราอยากจะให้เขาไปเราก็พยายามจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อให้เขาเกิดความลำคาญใจแล้วเขาจะได้หนีจากไปแต่แทนที่จะทำให้เขากลับไปเขาก ล, กลับเกิดอาการขึ้นสู้ขึ้นมายิ่งอยากยิ่งห้ามเขาเขายิ่งทำในสิ่งที่เราห้ามอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละก็คือลักษณะที่เราไม่รู้จักวิธีจัดการกับสิ่งต่างๆที่อยู่ ที่มาสัมผัสกับใจของเราเพราะเราเพราะเราไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของเขานั่นเองแต่ถ้าเราได้ศึกษาทมแล้วพูดเจ้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั้นล้วนออกมาจากสิ่งเดียวกันคือออกมาจากธาตุทั้งห้านั่นเองคือธาตุสีดินน้าลมไฟและธาตุที่ห้าก็คือใจหรือธาตุรู้ เมื่อมารวมกันก็กลายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเป็นหญิงเป็นชายแต่ก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานแล้วในที่สุดธาตุทั้งห้านี้ก็ต้องแยกทางกันไปธาตุสีดินน้ำลมไฟก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปธาตุรู้ก็เดินทางต่อไปไปหาธาตุสีดินน้ำลมไฟก้อนใหม่เพื่อที่จะรวมตัวขึ้นมาใหม่เพื่อมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลใหม่ ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดคนใดที่หลงไปยึดไปติดกับท่าเหล่านี้ก็จะมีแต่ความวุ่นวายใจอยู่เพราะท่าเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่สามารถอยู่ตามสภาพที่เราชอบได้เสมอไปซักวันหนึ่งเขาก็จะต้องกลายปเป็นอีกอย่างหนึ่งในขณะที่เรายังหนุ่มยังสาวเรายังมีกำลังวังชา ยังมีรูปร่างหน้าตาที่ดีเราก็จะยึดติดกับร่างกายอันนี้อยากจะให้ร่างกายอันนี้เป็นอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไปนานๆแต่ดังที่ได้แสดงไว้แล้วว่ามันไม่อยู่นิ่งในที่สุดมันก็จะต้องแก่ลงไปหน้าตาก็ต้องเหิวยน่นผมผ้าวองหออกย่างสุขภาพร่างกายก็เยิ่อเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นสิ่งที่ เราห้างกันไม่ได้ถ้าเราเข้าใจเรารู้ไว้ก่อนแล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนคือปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดพอเขาเกิดขึ้นมาเขาเป็นไปใจของเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ใช่ธาตุทั้งสี่คือใจไม่ใช่ดินานา้ำลมไฟที่มารวมตัวกันเป็นร่างกายมีอาการ32มีผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบคือประกอบขึ้นมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนใจธาตุรู้นั้นเป็นอกทธาตุหนึ่งเป็นตัวที่มาครอบครองธาตุทั้งสีนี้แต่เนื่องจากว่าไม่มีใครสั่งสอนให้ธาตุรู้นี้รู้จริงตามความเป็นจริงธาตุรู้นี้เลยไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเรา เมื่อเป็นเช่นนั้นก็เกิดความยึดติดอยู่กับร่างกายอันนี้เวลาร่างกายอันนี้เกิดอันตรายขึ้นมากับร่างกายคืออาจจะมีภัยอะไรเกิดขึ้นมาใจก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาอย่างเต็มที่แล้ถ้ามาถึงเวลาที่จะต้องพัดคลาดจากร่างกายนี้ก็จะทุกข์อย่างมากเพราะ ใจหลงไปคิดว่าใจจะต้องตายไปกับร่างกายอันนี้นั่นเองแต่ถ้าได้ศึกษาธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติว่าชีวิตของเรานั้นมันเป็นร่างกายและใจคือเป็นธาตุทั้งห้านั่นเองธาตุสี่คือองค์ประกอบของร่างกายส่วนธาตุรู้ก็คือใจ ธาตุท the, the be rain, ั้งห the ้านี้เป็นของที่ไม่สามารถที่จะถูกทําลายไปได้ธาตุดินก็จะต้องเป็นดินอยู่อย่างนั้นธาตุน้ําก็จะต้องเป็นน้ําอยู่อย่างนั้นธาตุลมก็จะต้องเป็นธาตุลมอยู่อย่างนั้นธาตุไฟก็จะต้องเป็นธาตุไฟอยู่อย่างนั้นธาตุรู้ก็จะต้องเป็นธาตุรู้อยู่อย่างนั้นเขาไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากว่าเวลาที่เขามารวมตัวกัน แล้วก็เลยกลายเป็นรูปร่างต่างๆขึ้นมาเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นคนขึ้นมาแล้วก็หลงยึดติดกันว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาขึ้นมานั่นเองเมื่อมีความหลงขึ้นมามีการยึดติดขึ้นมาก็เลยมีความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้เราก็จะไม่ยึดไม่ติดเราก็จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมชาติร้วนๆไม่มีตัวตนอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเลยในธาตุดินก็ไม่มีตัวตนในธาตุน้ำก็ไม่มีตัวตนในธาตุลมก็ไม่มีตัวตนในธาตุไฟก็ไม่มีตัวตนในธาตรู้ก็ไม่มีตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธาตุทั้งนั้นเป็นธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ใจไม่รู้ธาตรู้ธาตรู้นี่ไม่รู้จึงหลง จึงทําเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมามีเรื่องอะไรก็เลยแทนที่จะปล่อยวางปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเราก็ต้องมาเจ้าพี่เจ้าการต้องมาจัดการให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ขึ้นมาเช่นเวลาเรามีลูกเราเราก็ต้องมาคอยเจ้าพี่เจ้าการจัดการกับลูกของเราถ้าลูกของเราไม่เป็นอย่างนี้เราก็จะต้องพยายามบังคับเขาให้เป็นอย่างนี้ให้ได้ ซื่งบางทีเขาก็ไม่เป็นอย่างที่เราต้องการได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างมากที่เราดูได้ก็เป็นเพียงแต่บอกเขาชี้ทางให้กับเขาให้เขารู้ถึงความจริงของชีวิตว่าเป็นอย่างไรแล้วให้เขา <c oughs> ดําเนินไปเองถ้าเขาฉลาด <c oughs> เขาก็จะ <c oughs> เขาก็จะดําเนินชีวิตของเขาไปใน <c oughs> ใ, ในในทิศทางที่ถูกต้องที่ดีงาม แต่ถ้าเรา <c oughs> ไม่สอนเขาเขาก็ไม่รู้ได้ถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องเข้าหาผู้รู้เลาให้ผู้รู้สอนเราพวกเราทั้งหมดนั้นเรารู้กันแต่เรารู้ไม่มากเรารู้ยังไม่ไม่พอไม่พอที่จะนำพาชีวิตของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราจึงต้องเข้าหาพระพุทธเจ้าต้องเข้าหาพระอาริยรสงสาวก เพาท่านถ้าเข้าใจถึงความจริงของชีวิตของเราว่าชีวิตของเรานั้นเป็นองค์ประกอบของท่าทั้งห้าคือดินาน้ํามลมไฟและใจและท่าทั้งห้านี้ไม่มีตัวตนอยูนในสิ่งเหล่านั้นเราควรที่จะปล่อยวางให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาไม่ช้าก็เร็วร่างกายของเราก็ต้องจะแตกสลายต้องกลับคืนสู่ท่าทั้งท่าทั้งสี่ คือต้องคืนสู่ดินน้ำลมไฟไม่มีใครหยุดยั้งได้แม้แต่ใจท่ารู้นี้ก็ไม่สามารถไปยับไยับยัง้งหยุดยั้งให้ท่าทั้งสี่เขากลับคืนสู่สาภาพเดิมของเขาได้แต่ถ้าใจรู้แล้วใจปล่อยวางใจก็จะไม่วุ่นวายใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าไม่รู้ก็จะยึดติดก็จะเกิดความวิตกเกิดความโงกเกิเกิดความกังวล ความกลัวทั้งๆ ท, ที่สิ่งเหล่านี้นั้นก็เปรียบเหมือนกับความฝันเวลาที่เราฝันร้ายนี่เราจะพยายามต่อสู้ทุทกวิถีทางเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราสมวนสิ่งที่เราชอบแต่พอเราตื่นขึ้นมาเราก็รู้ว่าอ๋อมันเป็นความฝันฉันใดผู้ที่รู้ถึงสภาวะธรรมทั้งหลายนี้ว่าเป็นธรรมชาติเป็นธาตุ ไม่มีตัวตนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปยึดไปติดไม่จะต้องไปหวงไปแหงไม่ต้องไปต้องเหนียวร่างเขาไวเขาจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราเพียงแต่ทำใจของเราให้นิ่งเฉยเป็นอุเบกขาเท่านั้นแหละแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไปดีถ้าใจของเรานิ่งใจของเราสงบเป็นอุเบกขาแล้วใจของเราจะไม่เดือดร้อนกับอะไรทั้งสิน้น ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีหรือร่างกายของผู้อื่นก็ดีหรือสมบัติเข้าของต่างๆที่เป็นทั้งของเราหรือเป็นของผู้อื่นก็ดีนั้นโดยความเป็นจริงเราก็รู้อยู่ว่ามันไม่ใช่เป็นของของใครทั้งนั้นมันเป็นของที่มีอยู่ในโลกนี้และมันจะยังมีอยู่ต่อไปหลังจากที่เราได้จากมันไปแล้วแต่ถ้าเรายังมีความหลงอยู่ เราก็ยังจะเงียนไหวกลับมาเจอสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะดำเนินชีวิตของเราไปในแบบเดิมอย่างนี้อีกไปเรื่อยๆชีวิตของเราก็จะเป็นฝันกันต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าเราจะเข้าใจถึงธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้เข้าใจถึงชีวิตของเราว่าประกอบขึ้นด้วยอะไรแล้วปล่อยวางให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นไปตามเรื่องของเขา เท่านั้นแหละเราถึงจะหยุดจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆเมื่อเราหยุดแล้วชีวิตเราก็จะไม่มีการไปเกิดอีกต่อไปถ้ารู้ก็รู้อยู่อย่างนั้นธาตุดินน้ำลมไฟเขาก็เป็นของเขาตามเรื่องของเขาแต่ในภายในธาตุรู้นั้นจะเป็นธาตุที่ไม่มีความทุกข์เหลือยอยู่เลยแม้แต่นิดเดียว นี่แหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการรักษาให้ธาตุนั้นปราศจากทาตุรู้นั้นปราศจากความทุกข์ไม่ต้องไปทุกข์กับอะไรเพราะรู้แล้วเพราะตื่นแล้วดังที่พระพุทธอโ์ทร ง, งเรียกพระองค์ว่าพุทโธพุทโธคือผู้ตื่นผู้รู้ถึงธรรมชาติทั้งหลายว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นใจรักทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่เที่ยงไม่มีตัวตนถ้าไปยึดอยู่ก็จะทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่ยึดก็ไม่มีความทุกข์ดังนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายจงพยายามน้อมเอาสิ่งต่างๆที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้มาเตือนสติสอนใจอยู่เสมอเวลามองอะไรก็พยายามบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันไม่อยู่กับเราไปตลอดเราไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปห่วง ถ้าเขาจะอยู่กับเราเขาก็อยู่กับเราถ้าเขาจะไปเขาก็ไปถ้าเขาจะดีมันก็เรื่องของเขาถ้าเขาจะเลวมันก็เรื่องของเขาเพราะใจของเขานั้นเราไปบังคับไปห้ามเขาไม่ได้คน